พอดีเหามาทำความรู้สึกตัวอย่าไปบัคขับไปให้มันคิดมันที่คิดเรายิ่งรู้คนไกลของผมคิดอย่าห้ามแต่เหาเพียงผมรู้สึกตัวเท่านั้นให้มันรู้ให้มันรู้สึกตัวนี้แต่ให้มันคิดถ้าไปห้ามผมคิดอะไอีกตึมเนี่ยมันมันจะเป็นความรู้ที่ผิดผิดไปรู้แล้วมันลืมจำโบราณรู้แล้วมันลืม จำไปบัได้รู้แล้วมันลืมจกจำได้บัเกินสองสามนาทีเท่านั้นบางคนไปบันทึกไว้ในกระดาษกลัวจะมันจะลืมเป็นกิเลสแล้วนั่นคิดเพื่อนบัวให้จดจำอันนี้มันบกซ์ไม่หยา น, นีดแนนมันเป็นคมลูกของอวิชชา อ, นนอาวิชชาแปลว่าไม่รู้แั่นแต่มันรู้มันรู้บัแม่ของจริงมันเก็บมาลู่ซื้อสิอย่างอันเนี้ยเป็นคมลูกของอวิชชา ผมเรียกผมรู้ของวิปัสสนาญาณควมรู้ของวิปัสสนาญาณจริงๆนั่นคือรู้เรื่องรูปนามนี่แหละรู้รูปนามรู้รูปธรรมนามธรรมรู้รูปโลกนามโลกรู้ทุกขังรู้อนิจจังรู้อนัตตารู้สมมติรู้ศาสนารูกพุทธศาสนารู้บ้านรู้อันนี้เป็นญาณของปัญญาปัญญารู้แทนรู้แล้วบุญหรือต้วนที่มันรู้แล้วคิดคิดแล้รู้รู้แล้วคิดคิดแล้วรู้ น, นั้นเป็นของลูกพองวิปัสสนูปกิเลสที่ผมว่าเอาลิ้ือในตำราโบา้ค่อยๆสั่งอาจารกยก์โบมีสูบาจานไว้ความลูกหมูเ่านี้ให้มันลูกไปเรายิ่งให้จังหวะทุ่มเทเออกไปเหมือนกับน้ําที่เอาขุดน้ําบ่อนเอาขุดน้ําบ่อนลูกขุดบอ่อน้ําลงไปเจอน้ําน้ํานั้นมันอยู่กับตมกับเลน เขาต้องเป็นหน้าที่ที่ขุดลงไปลึกๆแล้วก็ตักน้ําตักต้มตักเละเขาไปพร้อมกันต้มกระตักน้ําก็ตักตักออกให้เมดเมื่อเขาตักน้ําตักตมออกไปแล้วน้ําข้างในมันจะไหลออกมาไหลออกมาน้ํานั้นใส่โมไดท์เขาก็ต้องตักออกถังน้าเก่าน้าใหม่กวนปากบ่อน้ำเข้าน้ําปากบอนั่นน่ะน้ําออกมาจากในรนมันจะมาลางฝากบอนั้นออกต้อเปลี่ยน เมื่อเทาร่างหลายเธอเรยน้ำเขาคอยใส่ขึ้นใส่ขึ้นเขาตักออกให้หมดแล้วควรปักบอ่อบุคุนเมื่อปากบอ่อกวนลงไปที่บุคุณแล้วก็นี่อย่างุกจริงเนี่คนบอ่อน้ะก็สิเมื่อเป็นอาชีพก่อจิตเลยเห็นผมคิดออกไปอันมันรู้คิดแต่บุษยเห็นผมคิดแต่มันรู้คิดซื้อพอได้มันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปับป๊บ พอเห็นคมคิดเขาเมื่อเห็นคมคิดเขาแล้วจิตเกิดญาณปัญญาน เ, นเป็นญาณปัญญาของนิจสนาคือเห็นวัตถุรู้วัตถุเห็นปรามะรู้ปรามะเห็นอาการรู้อาการนี่าวัตถุปรามะอาการวัตถุนั้นเหาหมายของกวางเหมืนหมายถึงต้นกวางจินต้นไม้ภูเขาเมื่อนองคลองบึงก็เป็นวัตถุ เงินทองเสื้อผ้าไหนาหัวส่วนเขาก็เป็นวัตถุเมื่อนั่งเขาก็เป็นวัตถุจิตใจที่มันนึกบันคิดั เ, เป็นวัตถุ <c oughs> เขาต้องเห็นอัตถีหูจังทีเข้าใจแล้วีอันนี้เป็นญาณปัญญาอหอิศัสนารู้อั น, นรู้แล้วก็ บ, บุหลวงบลงุลือปรามัตดหมายถึงสิ่งที่เขากําลังเห็นกําลังเป็นกําลังมีอยู่ขณะเือนปรามัดอาการสภาพความเห็นความไม่เห็น มันมีการเปลี่ยนแปลงไปโยงกัน น, นี่ว่าอาการสภาพออาธรรมชาติเมื่อรู้เห็นวัตถุปรามาอาการแล้วก็เหตุเข้าใจสัมผัสแนบแนบคือโทสะเรียกว่าข่มโกะโมหะเรียกว่าข่มหลงโลภะเรียกว่าข่มโลภเห็นรู้เข้าใจเมื่อเห็นรู้เข้าใจอันนี้อันนี้เป็นอารมณ์ของอิปัสสนาเป็นญาณปัญญาของอิปัสสนารู้ คือควมรู้สึกนี่แหละมันไปไล่ัวบบรู้นั้นนี่เรียกว่าความรู้ของอวิชชานั้นมันก็นลดน้อยแล้วไปพอดีลดน้อยไป่อันนี้ก็รูมาขึ้นเหมือนวิธีบวกบลบหรือน้ําอยู่ได้วขวดเหงาในแก้วเหงาทีกินน้ำน้ำนั่นมันสโกโปรกพอดีขวเหาขเข า, าที่เอาน้ํามากินแต่น้ำนั่นมันสโกโปรก เอาน้ําสะอาดหยดลงไปใส่จากหยดหนึ่งหรือสองหยดพอเดินน้ําสะอาดนั้นตกไปใส่ในขวดนั้นคขมตกตัวนันกนลาหลายจางไปเห็นใดงนี่ยเมื่อน้ํานั้นมันจางไปเขาลินน้ําหรือเอาน้ําที่สะอาดนั้นเทลงไปใส่ในขวดหลายๆมันก็ยิ่งจางหลายลงไปเหตุใเี่เมื่อมันจางออกไปจางออกไปจะเขาก็รู้เห็นเข้าใจ อย่างที่ว่าวัตถุปลามาัตยอาการโทรสะโมหะโลภะนี้มันเป็นผักเป็นผักไปเมื่อเห็นโทสะโมหะโลภะชัดเจนดีแล้วเราก็เลยเห็นรู้เข้าใจเพราะอันนั้นมันจางไปแล้วคือเวทคือรูป <c oughs> แต่รูปอันนี้เขาลูบมาจากที่แรกคนนี้คือเมื่อเขาลูบรูปหนาหมดแล้วแต่มันกลับเข้ามาลูบอันนี้ตึมคือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาบ่มีทุกเป็นรูปอั น, นิบุริอัมาว่านนเวทนาไม่ทุกสัญญาไม่ทุกสังขารไม่ทุกวิญญาณไม่ทุกเพราะโทสะโมหะโลภะจางหายไปแล้ว อ, นนอันนี้เรียกว่ารูปสี่บุญนรูปห้าแล้วเป็ น, นี้อันนี้ไม่ขันห้าอันนี้เป็นขันสี่คือบุริเอารูปขันมาว่าน รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันบันนี้รูปขันนั้นเาว่าเต็มมือทอีกทีรูปนามทีเมื่อไม่เห็นอันนี้ก็เอาตั้งเวทนาขันไปรูเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนี้ว่าขันที่ขันห้าขันที่ขันเดียวนะเหว่ามันมาอันนี้เมื่อเห็นอันนี้หูจักอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นเทวดาได้เพราะว่ามีคมละอายในใจ อันนี้เป็นปฐมมาสามที่หลวงพ่อเข้าใจที่แรกหลวงพ่อเข้าใจว่าเราลูกลูกลูกหนานเนี่ยเป็นปฐมมาสามมันเป็นปฐมมากซือกเสื่หอหลวงพ่อเปียบเทียบแล้ค้ายๆคือเขาลำวงเขาจีตั้งกองลำวงขึ้นตีแรงในะรอบแรกรอบต้นเขาเอื้นปฐมมาลืกคนไปลำวงไปฟ้อนไปอย่างในวันนี้บ่ตรต้องเสียสตางคนน์เข้าไปฝีลูฝีฝีอย่างที่ผมไว้ฝังกระลุ ตอนที่รู้วัตถุปรมัติากาลโพสะโมหะโลภะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ต้องมีบัตรต้องเสียเงินค่าผ่านประตูเข้าไปตอนนี้พี่อย่างเป็นปฐมมาการอันนั้นเป็นปฐมมาเลิกซือๆก็เลยเข้าใจแล้ววันนีรู้อันนี้แล้วก็จักพักเดียวเท่านั้นเน่ยนึกอใจเดียวเท่านั้นก็เลยเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจนุกิเลส กัญหาอุปทานกรรมอันนี้รู้อันนี้จะเกิดปีติขึ้นมาบัาเนี้ยภูมใจอันนั้นมันเป็นางานข่มลูกค น, อ, นอันนี้มาเกิดปีติอันนี้ปีติจึงเป็นอุปสรรคเป็นการขัดแย้งเหนือทําให้เราลาซาทําให้เราบกก้าวหน้าที่วาสนกระได้ปีติเนี่ยตำดาเพื่นว่าปีติฟว่มอิ่มใจทูกต้อง เ, เมื่อหลวพอไปปฏิบัติเข้าใจว่าปีติเป็นอุปสรรค เดี๋ปีติได้ว่าให้เราพักพรอนได้ให้เราภูมิใจในอารมณ์นันเข้าใจเนี่ยนี่รู้จักเป็นปฐมศาสรเป็นทุติยศาสตราเป็นมรรคเป็นผลในในตัวมันเองหลวพ่อเข้าใจแล้วแก่คนอื่นจะเข้าใจตัณฑ์ได้บุบหลวงพอบุญพระเจ้าหลวงพ่อเข้าใจอย่างสิดพอดีเป็นปีติอันนี้ก็ย่าไปติดพอดีมันรู้แล้วก็แล้วไป มันคิดละก็แล้วไปมันจะเกิดปีติปัญจิไปยูดกับปีติย้ายมันไปยูแต่มันห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้เขาต้องมาทําความรู้สึกให้มากมันทําให้เอาแรงแรงจากน้อยเพราะเราจะดึงเอาออกจากปีติอ น, นันให้มันรู้สึกอันนี้ทําซาให้เป็นปจังหวะเป็นจังหวะใส่ทาซาได้ดีมากอันนี้ตอนนี้ ตอนที่เขารููรูปน้ามวะนะมันยักทําไว้แปใมันทําไว้อันนั้นเพราะมันจะไปลูกขบกลมคิดที่นํามาะเราให้ฟังเนี่ยเพื่อเตือนจิตสกิดกใจเอาไว้พอดีตอนนี้ทำซาซาเฮตุบาดโยนโยนึงให้มันวางลุงผู้คนที่ซาซาให้มันรู้สึกกลัวพอดีรู้สึกมากเข้ามาเข้าปีติก็จางใส่จางไปนี่ไม่เป็นไรก็เลยมาเป็นปกติเมื่อเป็นปกติก็เรียกว่าเรามีสิทธัน พอเกเรยังงยาบอันนี้มันจางหายไปแล้วสิ่นจึงปรากฏตัวขึ้นมาสิ่งนี้ก็ว่าสิ่งขันสมาธิขันปัญญาขันโบมีสิ่งห้าสิ่งแปดสิ่งสิบสิ้นสองร้อยี่สิบเจ็ดยังเราเรียนมาจากภูบาจารยานั้นโบมีนนั้นอันนี้สิ่งขันคือรูปขันมีสิ่งเวทนาขันมีสิ่งสัญญาขันมีศิ่สังขารขันมีศิ่วิญญาณขันมีสิ่ง ตัวสิน้นเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่า ง, งายาบคันกิเลสย่างหยาบก็คือโทสะโมหะโลภะเวทนาสัญญาสังขารนีกับบุตรนักกิเลสตัณหาอุปทานกรรมนั่งกะเป็นกิเลสอย่างยาบเข้ามาวันนี้ส่วนปีตินะคันมาทวงเอาไว้ยอยู่ครับสิ่งเหล่านั้นว่าเจ้าของรู้เจ้าของเห็นของเรา ว, วางไว้ด้เห็นสิ่ง น, นี้บมเมนอธิศินสิกขาอธิจิตตศิกขาอธิปญาศิกข า, กาตำลาวา ย, ยังสั้น ครูบาอาจารย์คุณสอนอย่างสั้นหลวงพ่อก็ได้เห็นมาได้จำมาอย่างสั้นเมื่อปฏิบัติได้มันบเป็นอย่างสั้นมันมาว่าสิ่งขันที่ขันเจ้งแปลว่าต่อสู้ขันเจ้งว่ารองรับอืคล้ายๆคือขันตักน้ำเหล่านี้แหละถ้าขันดีไปตักน้ำขันบแตกแตกได้กินเอาไปตักข้าวใส่บาตรให้เจ้าหัวไอชัวกันน่ากินน่าทานเอาไปตักอาหารกินกะได้กินเนี่ยขันดีคือลูกขันดี เวทนาขันนี้สัญญาขันดีสังขารขันดีวิญญาณขันดีหมดถ้าขันแตกไดเหมดขันแตกตักน้ำกระโได้กินมันห้วนหนิมัดถ้าขันโซโกปกตักเขาไปสบายให้ผ่าให้เนนกระโวลน่ากินบระโวน่าเริ่มใสหมดถ้าขันแตกจากอาหารกระโวได้กินมันห้วนหนิมัดอันนี้ก็คือกันคือความโบรู้นั่นเองคือไปติดอยู่อันใดอันหนึ่งเขาลืมตัว อย่าหลงตนอย่าหลุดตัวการปฏิบัติธรรมะแบบนี้ปฏิบัติง่ายๆ่ยูืใสายก็ปฏิบัติได้แต่ขอให้รู้จริงเท่านั้น่สิเมื่อรู้สิ้นแล้วกล่าวอธิสิทธิ์สิกขาอธิกิตติสิกขาที่ปัญญาติดสิกขาไปวัดทำเหมือนกับคกตําเข้าเขาลูกคกตําแจ้วเขาเนี่ยพราะเปรียบเทียบไปมันเป็นเม็ดดิมักเิ็ดมะเขือออกมาตํำทะลุงเขาตำเขามันมุ่นมันแหลก มันเขามากองเอาได้ทองเอาเจ้อของสําคัญนั้นของพวกสำคัญมันก็เป็นแกบเป็นหำไปคล้ายๆคือโรงสี เ, เขาเปลือกเขานี่ไปโยนในส่โรงสีไปเข้าลงสีโงสีนั้นจะผัดผัดเอาไปเข้าเปลือกเป็นเข้าสารเข้ามาแล้วก็เป็นแกบเป็นเข้าเปลี่ยนเป็นอย่างไปบ้านหลวงเขาเรียข้าเปลี่ยนเข้าหักข้าวมุนวันนี้เขามาปฏิบัติธรรมะทับหนึ่งขวดนี่พระก็ดีเนนก็ดี แม่ขาวก็ดีแม่ดำมก็ดีพอออกก็ดีให้เป็นเข้าวทีนึเข้าอ้วนเข้าเต็มถ้าเป็นเข้าทีนึงข้าอ้วนเข้าเต็มไปว่าเขาดีเขาแก่ดีเอาไปเข้าวลงสีหัดออกมามันก็บวงหักกเอ้อข้าวทีนึงถ้าเข้าเม็ดใดโบอ้วนโบเต็มดีนะครับเอาไปเข้าวลงสีหักครึ่งออกมาเอเข้าวทีสองเนื้อบางคนหักออกมาเขาสามบั้นสีบั้นสามทอนสีทอนเป็นแก่เป็นหำไปเม็ดก็มี ผู้ที่เป็นแก้เป็นหำไปนั้นแสดงว่าโบได้ประโยชน์เท่าที่ควรแก้เอาไปเผาท่านก็นได้เอาไปใส่นานผักก็ได้เอาไปใส่ที่เขาไปซกมวยสนามมวยก็ น, นั่งก็ได้อันนั้นแกบกั น, น, นมันโบได้ประโยชน์เท่าที่ควรมันในหำมันหลวงพ่อเรีรยกว่าหำทางคนพอดีไอ้วัดลามก็ไดเอาไปให้หมูให้เป็ดให้ไก่กินคนกินก็นได้แค่นี้น้อยหนึ่งถ้าเป็นเขา้าหักเข้ามุน เข้าไปเนี่กะคนจริงก็ได้แก่กินบ่มีรลุดตาเท่าใดอันนี้ก็คือกันถ้าห้าเขาลู่ธรรมะเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะเจ็เลิกละจากข่มซัวข่มซัวทุกประเภทเลิกละให้เมื่อจริงจะเป็นเข้าทีหนึ่งไดการฝึกหัดดัดแปลงอย่างนี้เจะฝึกหัดตัวเองทําเพื่อตัวเองเมื่อฝึกหัดตัวเองดัดแปลงตัวเองทําเพื่อตัวเองเนาะ เพื่อนฝูง น, นคอยติดตามมาเพราะทุกคนต้องการความดีอยู่แล้วเป็นอย่างไรเมื่อเฮามาลดปีตีแล้วบันนี้ปีตีมันจางไปคล้ายๆคือวายฝั่งนั้นเนี่ยออกจากถ้ำมันถ้ำที่มันเมื่อยู่น่ยเขายึดไปใส่มาใส่ต้องใต้ไฟเนอ่าครับขันโบไต้ไฟก็ตกบอ่อตกอย่างไรเขาออกจากถ้ำมันแล้วมาเบิง้งอยู่นอกหรือเบิ้งปากถ้ำเบิ่งรูปร่างลักษณะของถ้ำ มันเป็นอย่างสั้นเตียงเอาจิ๋วจักกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางสมมุติเอา ซ, อซื้ออันวานี่กันกิเลสอย่างกลางก็คือปีตินั่นแหละอันหนึง่งยินดีว่าเจ้าของทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้มันติดทั้งส่นหรือว่าอีกอย่างนึงกับเรื่องสมถกรรมฐานทํำผนสงบแต่ผู้อื่นนั่นจะเป็นสันเดียบวงจักผมบูเดวา่าผู้นั้นปูนีความสงบแบบโบลูนันเรียกว่า เป็นปีติยินดีในความสงบอันนันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมโยปฏิบัติแบบนี้บุตรวจีให้มันสงบได้ให้มันรู้สึกตัวอยู่เสมอเคลื่อนไหวอยู่เสมออันความสงบนั้นมันเป็นผลพลอยได้คือๆเพราะว่าเขาเคลื่อนเขาไหวเขาพลิกทิ้งตี ง, ต, งตัวพลิกมือหงายมือพลิกตาอ้าปะหายใจเข้าหายใจอ อ, อก พุ่มเงยเอียงใจเอียงวขวงเรารู้สึกอยูส่สิปัญญามันเกิดขึ้นเพื่อว่าคนจะล่วงผุกไปได้เพราะปัญญาเมื่อมีปัญญาแล้วสิมันเป็นผลพอได้คือความสงบมันสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบจากกิเลสสงบจากสัมหาสงบจากอุปาทานสงบจากกรรมสงบจากปีติอันนั้นพราะการเห็นแจ้งอันนี้นี่มันเป็น ย่อมมันมีอุปสรรคยิ่งาอาศัยผู้ที่เคยสํานานมาก่อนเมื่ออาศัยคนที่รู้นั่นแหละมาระยะนี้มันเป็นอย่างสีมาระยะนี้มันเป็นอย่างสีเพราะผู้ที่รู้นั้นตำนิสํานาอันนี้เรียกว่าเป็นทุติยาสารไปยังสันที่ผมรู้จึงปฐมมาสารทุติยสารเข้าใจอย่างไรแต่คนอื่นจีเข้าใจบุเข้าใจานันเทพบุหุ่นจักจึงผมกล้ายืนยันรับรองคําพูด ของพระพุทธเจ้าหรือตำหนักตำน า, าเป็นบางส่วนบางตอนถ้าให้เขาเห็นเขารู้เข้าใจแล้วมัรู้เองเห็นเองเข้าใจเองมันเป็นอย่างไรบันนี้จตุทสานเหมือนจตุทสารแปลว่าง า, านรวบรวมอืม ต, ตัติยสารปฐมสานทุติญสารตัติญสารมันอยู่งกันกันคือว่าปฐมสานกับทุติญสาราที่อย่างพวามันตอนนี้มันเป็นตติญสานอ่ะมันเป็นจตุทสารเข้ามาแล้วงานรวบรวมเข้ามา รวบรวมเข้ามาจะไม่เห็นสภาพการทําดีทําตั่วทําผิดทําทุกข์ยิ่งหูจักอันนี้พอดีหูจักอันนี้แล้วก็เป็นปัญจมาสานพร้อมในอุณหห้าคือญานของรูปงานของเวทนางานของสัญญางานของสังขารงานของวิญญาณ น, นี้ที่มารวมกันเขาเป็นอันเดียวกันจึงเป็นปัญจมาสานขึ้นมาตัดสินลงไปถูกต้องอย่างว่า จิตสะอาดจิตใจนีจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจคลองใสจิตใจว่องไวสามารถที่จะมองเห็นอะไดอยู่ในตัวเฮานี้บราไม่เห็นตักใสใสปอดปุ๋นสามารถที่จะเห็นจิตใจเขามันนึกมันคิดมันคิดดีมันคิดซัวมันคิดจังใดเขาจะเห็นจะรู้จะเข้าใจทั้งเมดจิ่าจิตใจของพระพุทธเจ้าดำมีอยู่ในคนทุกคนบยกเวณ เมื่อทำอย่างที่ตรงรูอย่างสิรูย่างอื่นบบถูกต้องเมื่อเห็นรูเข้าจ่ายนี่ค่ะรู้สภาพภาวะาการเกิดดับที่ยังผมว่าเมื่อแหลงวานิลเมื่ออาการเกิดดับตัวนี้มันขาดสูตรมันออกจากกันทัน้งเมดให้คลายคลายคือว่าเอาน้ำมันกาดกับน้ำมันเบนซิ น, นกสร้างน้ำมันอย่งางนั้นแล้วไปท อ, อกใส่แก้วเอาน้ำทาเข้าท อ, อกใส่กับน้ำมันมันจะยู่คนเะส่วนกันโลดแต่มันก็อยู่กับน้ำฮันได้ แต่หามันเป็นคนลั้วมุมกันลกน้ำท่ากับน้ำมันจึงเข้ากันบ่ได้เหาเห็นอยู่เอานั้นมันทอกใส่ในน้ามันก็ยุเทงที่ผอมันต่างหากน้ำมันน้ำท่มก็อยู่ใต้ผอมันท่างหามันบวกเข้ากันได้มันเป็นอย่างนั้นยิงว่าพระพุทธเจ้านั้นตัดผมครั้งเดียวพระพุทธเจ้ารู้ดีแต่เหานั้นก็ต้องค่อยๆรู้ไปเป็นเมื่อเหาเห็นสภาพนี่เหาจะรู้จักสภาพหรือภาวะเขาจะตายนี่เนี่ย มันต้องเป็นอย่างสั้นมันต้องเป็นอย่างซีหุ่นจักวิธีตายทันทีแต่ทุกคนก็ต้องมานี้หนีจากนี้ไปบวได้เพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเนี้ยคนเกิดมาในโลกได้บวตายบวชวิญญาณคนอันนี้เรียกว่าสัจจะแท้บวเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปบวได้ถึงจะมีผู้รู้มันก็เป็นอย่างสั้นอยู่ว่ามีผู้รู้มันก็เป็นอย่างสั้นอยู่เชิงว่าเพิ่งว่าไว้ว่ า, วาหากมีพระธรรมวินัยยู่ และมีผู้ประพฤติดีปฏิบัติซอบอยู่มักปุณณิผ่านบวางจากโลกนิ้นบวางจากโลกบวไม่วางจากดินฟ้าอากาศอันนี้เนะี่ยบวชจากผู้ปฏิบัติท่านนี้นี่รู้จักมักปุณณิผ่านโลกถ้าหากว่าภิกษุืออุบาศกอุบสิกาอยู่โดยซอบแล้วพระอนาหารก็จะบวางจากโลกนิ่นเพราะว่าเขาเห็นความคิดคุณเนะี่พระอนาหารนี่บวมไม่เห็นตัดไตไส้ปอด โบเมนเหานั่งอยู่ที่นี่เห็นคนหมูนเลขลอตเตอรี่อยู่ผงเทพพุ้นสลักจินแยงคุณโบเมนอันนั้นเนี่ยพอโบได้หูจักหลังจากเห็นจิตเห็นใจเหานึกเหาคิดนี่บัดเดี๋โอ้เราไปเข้าใจเลิกเกินไปจิตจิตเป็นเข้าใจนับเม็ดเห็นเม็ดใสในท่อมหาสมุทรให้ครบทุกเม็ดก็บโบเมนอันนี้ ที่ไปเห็นต้นไม้โพกเขาพุ่งกลับโบเมนอันนี้โบแมนในแถบเหตุอันอื่นโบแมนทั้งหมดผิดมดคันถ้าเห็นตัวเฮานี้กําลังนึกกําลังคิดกําลังทํากําลังพูดพูดอันนี้เหตุอันนี้เห็นจิตใจเฮานี้สะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวอันนี้คือจิตใจของพระพุทธเจ้าโบไม่จิตใจของผู้รู้ส่วน แต่ผู้ทุศนก็มีอยู่หักโวเหตุบ่าสามารถที่จะดูจิตอันนี้จึงว่าเอินปู้ทุศน์ผู้ทุศนที่ว่าเป็นผู้นาแน่นอยู่กับขวมมืดขมลงอันนี้พระเดียเจ้านั้นปลดเปื้องขวมมืดอันนี้ออกไปขมหนักกกหนักใจนะค่อยๆอ อ, ออกไปจิว่าเห็นอันนี้เมื่อเห็นมาจุดนี้แล้วก็เลยเข้าใจว่าอาการเกิดดับนั้นเป็นวานเสือ เกิดมาลอยปีชีวิตของพวกนั้นเป็นมันบัด น, นี้สู้บุคคลผู้ที่เกิดมาเมื่อเดียวนึงรู้เห็นธรรมะอาการเกิดดับอันนี้ดีกว่ามีประโยชน์กว่าบุคคลเกิดมาลอยปีบนรู้บนเห็นบวกเข้าใจสภาพภาวะเกิดดับอันนี้เป็นว่าอย่างไรคนเกิดมาเมื่อเดียวนี้แล้เวเกิดมาเมื่อเดียวมันที่เห็นได้บ่เมันพลิกทิงตีนตัวกรบโบเป็นกินเขา้ากรบโบเป็นกินน้ำกรบโบเป็น ดูญาติเถอะแต่ขี้มันกันยังขี้ใส่กับที่ฮันนอนกับขี้กับเงี้ยวฮันมันที่เป็นนน่อันเข้ามานี่แหละมาฟังครูบาอาจารย์ทันผู้รู้ว้ายฟังเขามีสติปัญญาสามารถมองถึงจิตใจเขาทันที่เป็นว่ามอเบิ้งจิตใจโอ้จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสุบมัจิรู้เพียงแค่นี้อันจิตใจบริสุทธิ์นั่นมาจีบบัณฑรู้เถิอเมื่อได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ไว่ายฟังก็จะรู้เปน จิตใจบริสุทธิ์จิตใจพ้องใสจิตใจว่องไวมันสามารถพูดได้ว่าอยังมันที่สามารถฟังได้หูจักได้อั น, นี้เพนวาอาการเกิดดับอันนี้เมื่อเห็นสภาพอันนี้แล้วภาวะที่มันมืดมันบอดมันขาดออกจากกันฤทีว่าในเนื้อในหนังเขากักมันจืดออกไปเมื่ผมเคยเปรียบเคยอุปมาไว้ฟังเหมือนเาอุ้มเด็กน้อย เด็กน้อยนี่มันแดงพ้นมันหรือเนื้อหนักมันแดงเขาเอามือเขาไปจับไปแตะเข้าไปมันจื้ทันทีเลยพอดีเขาเอามือเขาออกมันขาวเออมันแดงเข้าไปตืมมันไวยังสันจะว่าความไวอันนี้มันไวที่สุดเมื่อเขาอามือไปจับเข้ามันขาวบรรเอามือออกมันแดงมันจะกลับไปกลับมาสันอันนั้นเป็นปุถุสุนอันนั้นเมื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอดีมันแดงจับแล้วมันขาดออกไปเลยกลมแดงมันเมื่อ มีแต่ขมข่าวขมจืดออกแต่มันว่างเพราะว่าอันนี้เป็นธรรมศาสตร์แท้เป็นของเดิมแท้เจ้าของเดิมแท้นั่นมันมีอยู่ในเา้าเมื่อทุกคนบรยกเวนผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีคนนุ่มคนสาวก็มีคนเท่าคนแก่ก็มีให้ว่าคนไทยคนจีนคนฝรั่งเศสคนอังกฤ ษ, ค น, กษคนอเมริกาคนคาเมรคนยวนคนลาวให้ว่าคนที่มีเมื่อทุกคนบรยกเวร ยี่ถิบศาสนาได้ขอตามสรางนุภง้าเสียนได้ก็ตามและที่ได้ตามสางบวชก็ปฏิบัติได้บบวชก็ปฏิบัติได้เรื่องนี้นับรองว่าลู้ทุกคนถ้าเป็นคนจริงขอแต่ให้เป็นคนจริงอย่างเดียวในประรทศในตำลาพนวาผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างถูกต้องาาให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ย่างนานเจ็ดปีอย่างกลางเจ็ดเดือน ย่างไวที่สุดนั้นนับตั้งแต่มือหนึ่งถึงเจ็ดมือหรือสิบห้ามือมันเปนวานมีอันนี้ส่งสองประการนะทหนึ่งเป็นพระอาหารหันต์ถ้าหากไ่ได้เป็นพระอาหารหันต์ต้องเป็นพระอนาคามีแต่ปฏิบัติให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ได้เป็นวาน่าคำว่าพระอนาคามีเนี่ยกระบบผาดแน่นอนที่สุดเขาบูจากคุณค่าของพระอนาคามีเนะีย คุณค่าของพระอนาคามีต้องรู้จักมรรคผลนิพพานรู้จักวิธีปฏิบัติผิดทูกข์กี่เดชขันพระอนาคามีคนว่าจิมากเกิดเท่วนั้นตำหรักคนว่าอันวิธีปฏิบัติแบบที่เขากำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้จังหวะนี้เมื่อวานย่างนานว่าเกินสามปีย่างกลางให้เวลาปีย่างไวที่สุดให้เวลาสามเดือนเก้าสิบมือ บบมากกับ น, น้อยความทุกข์นีจะจืดจางไปและความเข้าใจในนั้นก็นต้องเข้าใจบบมากกับน้อยจะไม่หลงผิดเลยถ้าเป็นคนจริงถ้าเป็นคนบบจริงก็อีกตึมละอันนี้ก็เนี่ยว่าเขาถ้าเม็ดได้โอนในเต็มนะเอาไปเข้าลงสี่จะเป็นเข้าทีหนึ่งราคาก็แพงถ้าเป็นเข้าทีสองเขาบุบอ้อนโบเต็มแ่บไปเข้าลงสี่มันก็หกักเครึ่งหักกลางออกมาขายราคาเขาแพงถ้าเป็นเขา้าวโมีไนทแบบเนี้ย เอาไปเข้าหลงศีษก็เป็นหำกับเป็นแก้วออกมาซื้ อ, อคนมาบ่มีในแล้วเด้นะ่นอันนี้ก็คือการถ้าหากเขามีศรัทธาแล้วต้องทําให้มันติดต่อกันเหมือนลูกโซคําว่าติดต่อกันเหมือนลูกโซนี้ผมได้หมายถึงแไปให้จังหวะซื้ อ, อมันนึกมันคิดก่็ให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจไปใสมาใสเข้าห้องน้ําห้องซ้วมการทํามาหากินทุกยากนั่นแหละให้เขารู้สึกตัวอันรู้ความรู้สึกอันนี้ มันที่พยายามไปไล่ขวบบุรุษนั่นนี้แล้วมันคิดมันก็จริรูมันเป็นอย่างไร้างวมรู้อันนี้จวิงผู้อื่น ท, ทนําแทนเขาโบได้พ่อทําให้แม่กับโบได้แม่ทําให้ลูกกับโบได้ลูกที่ทาให้พ่อให้แม่กับโบได้เยอะทารู้ได้เฉพาะตนเองมันเป็นอย่างไร้ามันสามารถที่จะไปแก้ปัญหาตัวเองได้แก้ขัด จนสนจนใจแหนะแค่ใดที่หลวงพ่อได้ประสบตัวเองมามันไม่มีการขัดแยงกับคนอื่นมันมีการขัดแยงแต่ตัวมันเองคือว่าให้เหาเห็นว่าคนอื่นพูดให้เหานั้นดีใจเสียใจบนแม่นี่ยเขาจีไปห้ามเพื่นบ่ได้เลยเขามาเบื้องตัวเหาพี่เลยมันมีการขัดสนมันอยู่พี่ได้การขัดแยงมันอย่พี่คือว่พอใจแน่มันขัดแล้วมันมันแยงตัวมันพอใจเนี่ยมันขัดแย้งยตัวมันแล้วมันขัดสนอยู่พี่ที่ เพศมันอยู่พี่เด้ตายเห็นรูปหูฟังเสียงว่าสมบนว่าบุแม่นี่ยตามันกระโบกจักหายโบกจักดีหูก็คือกันดีใจเสียใจมันบัว่าหูใจต่างหากพอดีคนว่าวปุ๊บหูเป็นบุษย์ที่จำได้ใจพวกนี้มันจำตายเห็นปุ๊บตามันบุษย์ที่จักว่าดีว่าซัวอย่างเนี้ยใจพวกนี้มันว่าดีว่าซัวจงว่าปฏิบัติอันนี้จิว่าบัวให้มีดีใจไวให้มีเสียใจ ให้ปฏิบัติซื่อๆเห็ุซื่อๆอันคมเฮ็ุซื่อๆมาจีเป็นซื่อๆมาจีรูหมาอย่างซื่อๆอันนี้เรียกว่าเป็นงานของวิปัสนาลูมาจังสิขันธ์ลู่แล้วหลงแล้วลืมนั่นบมเมนต์ลู้วิปัสนาอย่างผมว่าจะมีอารมณ์อารมณ์บนแม่นอารมณ์หกคืออย่างพูนว่าขันห้าอินญตนะสิบสองธาตุสิบแปดอินทรี่ยี่สิบสองอณิยัตติปฏิจจสมุปบาทบนแม่อารมณ์อันนั้น อารมณ์ะคือยังผมว่ามานี่จีวารู้จักเป็นปฐมสารทุทาา ต, ติยสารตัดติยสารจตุตสารตันจามสารรู้จักอันนี้รู้จักขั้นแรกเนี่ยของจีวรู้ไปเป็นทางไปซื้อมาได้เาเที่ยวไปเที่ยวมาของจิวรู้จักว่าทางเขานี่มีตอมีหลักมีนามอยู่ใส่ขางจีวรู้จักพรเขาสํานานจีว่าเมื่อรู้แล้วจึงพักผรอนโมดได้ต้องทําให้มันสํนสนานิตำนานบางคนรูแ้แล้วละเนี่ยเลยเสาร เลยเลิกก็ไปทําผิดอีกตืมอันนั้นเพราะว่ามันมีมณะมีทิฏฐิจึงว่าเขาจึงลดน้อยลงไปผมมีมณะผมมีทิฏฐิเนี่ยครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงตักเตือนได้เพราะเขามีความรักความพอใจกันจักเตือนมีจริงตักเตือนกันได้ถ้าหากเขาไม่มีความรักบม่มีความพอใจแล้วก็บไ่ตักเตือนกันแล้วผิดกับาแล้วทุกข์กับาแล้วอันนี้เขามาหา พักพวกเขาผิดต้องตักเตือนกันได้ว่ากล่าวกันได้ที่ว่าให้รับฟังรับฟังนะครับไปปฏิบัติมันจะรู้โอ้อันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกเขาจะได้รู้จักเลยว่มีใครสิมาบอกเขาเรื่องความรู้อันนี้คูบาอาจารย์กระบอกว่าใดที่สุดพระพุทธเจ้ากระบอกว่าใดบอกได้แต่จำเอาเต็มหูเตซื้อสัญญาอันนั้นสัญญาคนจันทเด็บกบุญแม่สัญญาเกิดมาจากกฎของธรรมศาสตร์เด้เขาเคยได้ยิน ครบาอาจารย์วให้ฟังว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าอคกาตาโลตถาคตาจะเป็นภาษาบาลีอันพตตถาคตเป็นแต่เพียงพูดแน่แนววิธีเท่านั้นซื้อทบอกวิธีซื้อพระพุทธเจ้าแล้วเป็นหน้าที่ของเธอปฏิบัติเสเธอต้องปฏิบัติตามที่ว่านี่พอดีปฏิบัติมันก็ต้องรู้เธอเองเป็นคนได้รับผิดทุกเธอเองคือคนได้รับ เนรพรมก็เลยมาว่าเจ้งว่าเอาพระเจ้าว่าสัตวทั้งหลายคือเราตถาคตสัตว์ทั้งหลายเหมือนเราตถาคตสัตวทั้งหลายเป็นพระตถาคตัฐฐฐกนคือกันเมื่ออย่างโบลู ก, ก็จับคุณจับที่จับต้นส่วนฝ่ายโบได้จะว่าเขาเป็นคนให้หัวจักหน้าที่ของคนโบจะเป็นสัตว์ได้คนเขาก็าหัจักหน้าที่ของคนตัเลือกคัดจัดหาเอาเป็นสน ม, มเมื่อเป็นคนแล้วเขาก็เป็นมนุษย์ได้ทันทีเลย เมื่อเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นเทวดาได้เป็นอเป็นผมได้เป็นพระเดียบุคคลได้ทันทีบทเมสสิตายได้จริงไปเป็นบทเมสสตามเท่าที่ผมได้ศึกษาเล่าเรียนมาผมกล้าพูดกล้าทํากล้าสอนอย่างนี้แต่คนอื่นในจีนผู้ที่สอนอย่างไรกับบุหุจักจึงว่าบทสุดท้ายในพระพุทธเจ้าพรรไว้จัดทั้งหลายเราพูดเป็นตถาคตไปถึงแลแห่งนั้นได้จึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลาย ให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามยันหล่อตาทาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตาทาคตนี้พพเพราะพระวิญญาไปถึงที่สุดทุกที่สุดทุกขคืออาการเกิดดับนี้เองรู้จักวิธีที่จะตายรู้จักเมื่อจะตายตายวิธีนี้บุญแม่ตายเลยตายตั้งแต่รูปอันนี้แลจิตใจมันบุญทุกจิตตายลำเฮาเนี่มันเป็นอาตัจิวะบุญแม่อของไผ รู้ได้จิตสงวนที่ขติดโบได้อันนี้เมื่อรู้แล้วจิตทาลายกับโบได้อันนี้เพราะมันทําลายโบได้มันเป็นของสัพาะตัวรู้ได้สัพาะตนคนอืน่นรุ่นน้ำเขาโบได้รู้แล้วจะบว้ให้ผู้อื่นรู้กับโบได้ถ้าหากเขาทําทุกวิถีเขาจะรู้เองรู้แล้วที่ทําลายอันนี้ให้มันหมดไปกับโบได้เพราะมันเป็นอยู่ทางตันจริงว่าธรรมแะแท้ก็คือสิ่งเดียวกันธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้านั่นน่ะมันมีอยู่แล้วในคนทุกคน บนยกเว้นไถ่ทางมดบอกว่าคนไทยบอว่าคนจีนบอว่าคนฝรั่งเศสคนอังกฤษคนอเมริกาไถ่ก็ตามสร้างให้ซื้อว่าคนและถือศาสนาใดก็ได้ถ้าปฏิบัติถูกหล่อรับรองบอกว่าเป็นคือยางฟักกุฎิอาวา น, นั่นเท่ห์นั้นตอนทําวัดเ้าวันนี้ก็เลยมาแนะแนววิธีปฏิบัติการแก้ไขปัญหาซึ่งที่มีอปภาษคตอนสุดท้ายนี่ให้ระวังให้ดีมันจะฟุ้งไปติด ความสุขหรือปีตินะบ่าวาล้วมาติดไปกลุมสุขคือว่าเกิดมาในชีวิตนี้บ่เคยหู้บ่เคยเห็นบ่เคยเป็นบ่เคยมีมันจีเบาตนเบาตัวมันจีพอใจในขอเขตก็เลยลืมตัวแบบ น, นี้ลืมตัวเพื่อกลับไปติดวิปลาสวิปลาสมาม า, มาเป็นตอนนี้ทีว่าหลงตนลืมตัวก็เลยบูฮู้จักที่บบูฮู้จักเดน่นบูฮู้จักทําผิดบูฮู้จักทําถูกจีไปแสดงทําโตผีโตเทวดาใส่หู้บ่านั่นบูฮู้จัก หรือเมดอันพี่อันเทวดาอยู่ในเ้างนี้พี่คือทําสัวพูดสัวคิดสัวนั่นเองเทวดาคือมีความละอายแก้ใจนั่นเองถ้าเ่าวรู้อยู่ในเกณฑ์อันนี้รู้ตัวเขาอยู่เสมออันนี้วิปลาสเข้ามาบดาเพราะเขามีความรู้สึกตัวอันนี้เนี่ให้หเขาเบิ้งสภาพอาการเกิดดับนั้นอยู่นี้เนื้อกูเดินจมกรมเว้ให้จังหวะมีสติย์อันนี้จึงขาดช่วงออกจากกันอันนี้ให้เขาอยู่บนนี้ อันนี้ขาดเอาจากกันอันนี้แล้วมันจะเข้ามาตอนนี้เขาชี้เห็นใช่ไหมไฮค่ายคือเ <Was. S 2> ขาเที่ยวทางนี่เนีลยเที่ยวไปเที plane plane. ่ยวมามีหลักมีต่อ rapidement. มีเสี้ยนมีหนาอยู่เขาชี้เห็นเขาชี้ห้เขาชี้บรไปสะดุดว่าไปเตะไปเยียบเอาหลักเอาต่อเหล่านั้นพราะเขาเที่ยวไปเที่ยวมาเนี่ยถ้าเขาไปเที่ยวเดียวนี่บวกกับคืนมาเติมกันย่ากับหกทางกันแล้วแล้วกลับคืนมาเที่ยวหลังก็เยียบดักเยียบต่อไปเติมแล้วถามมาจีหกขึ้นมาเติมเนี่ จะว่าการปฏิบัติแบบนี้ถ้ารู้จริงแล้วเลิกละโมได้ถอดโมได้มีแต่จิตมีความพอใจในการใ น, นงานนั้นชื่ว่าลักการรักงานลักหน้าทีผู้ที่เขามาปฏิบัติในต้อนลักลักหน้าทีคนผู้ใดบนรักหน้าที่อันนี้ก็คือว่าจ่างไปหรือจืดไปคนเอิญกุ ป, ปะธรมโมอกุ ป, ปะาธรมโมปริหาณะธรรมโมเยตนาภะโภอนุลักคณะภะโภคุณวาไว้อภิธรรมจิตบอกแม้ว่าจิตไปสว้แล้วคนตายได้นี่ย คนว่ามันสารเสื่อมหรือว่าสารจิบหายเนี่ยคนว่าอย่างนั้นถ้าหากบวคิดบวถึงแล้วมันจิบหายมันเสื่อมมันทิ้งมดเป็นอย่างนั้นที่ผมได้ประสบพบเห็นมาผมก็ว่าก็พบว่าบวกคิดว่ามู่จีวาอย่างนั้นนึ่งทีว่าก็ได้โด้ยพดเหนือนอกไปแล้วสินว่าก็ได้ว่เป็นยังผมว่าได้คิดว่าคนนัจีวาอย่างนั้นคนคนว่าไว้ พูดอวดอุตตรีมนุษย์ศาสนคือทำอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนขาดจากภบเป็นภิกษุเลยต้องอาบัตเป็นปรัชิตว่ากสร้ะซันีลยตำหนักเขาบอได้ว่าอวดเนี่ว่าของจริงสู้กันฟังเพราะมานี้ต้องการของจริงทุกคนเหมือนบมดต้องการของจริงเปมนหมดถ้าต้องการของจริงก็ต้องว่าของจริงให้ฟังทีเดีละถ้าบุต้องการของจริงก็ต้องว่าของบุตจริงกูนแล้วเพลินว่าว่าของจริงเพลินว่า คนที่บ่งหูนั้นยังมีความติเตียนยุบอึนว่าพูดของจริงต้ออนุปสมณผู้ที่ฝังบทเป็นนั้นเป็นว่าต้องอาแต่จิตดีว่าสันอึนว่าอยู่ในหนังสือมันนามกวน่นอันนี้เขาต้องการของจริงก็ต้องว่าของจริงให้ฝังอึนว่าถ้าหากเอาขบวิญญาณเนี่ยผู้อื่นว่าก็ได้แต่มันจีบบุคือกันก็ได้เพราะคนเห็นบุคือกันคนมีขบวิญญาณจียจะมาการเลือกหูเลือกอาจารย์นั้นเลือกเอาเอง ให้เขาพอใจเอาเองแต่ว่าเมืองไทยนี่ก็มีหลายคนสอนประเทศอินเดียก็มีหลายคนสอนมีหลายละที่มีหลายนิกายก็จำนวามีลอยแปดละที่ลอยแปดนิกายในประเทศอินเดียลอยเจ็ดละที่ลอยเจ็ดนิกายนะกัจจิบุญเห็นแล้วก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากัจจิบุญเห็นต่อการประพฤติปฏิบัติลอยเจดละที่ลอยเจ็นิกายนั้นเป็นางานสันเมืองไทยก็คือกันถ้าให้เขาเห็นดีผู้แดงเขาก็ไปศึกษากับผู้หันก็จินู้แบบผู้หัน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 วิธีที่อันนี่แหละมาเฮ็ดมาทำวิธีกาบวิธีไว้วิธีนบผมพยายามทำพยายามไม่รู้จักนบต้องเฮ็ดสีวิธีนบต้องเฮ็ดสี่บนไม่นบทางสี่นบทางสีนบวิธีนบเลย ก, กาบก็ต้องกราบทางสันเฮ็ดทางสันคนเฮ็ดเทว่าแต่ตอนนั้นเบญจังคับปฏิบัติเอาซอกเอาเข้าเอาหัวสีสาวนี่จดลงพื้นพุนผมว่าเอาสมเลิกอันนั้น แค่ผมเฮ็ดเป็นเพราะคูบาสอนนี้ยบเนอเอาขู่เขาแล้วเอาหัวเขาจำจอมบวให้บวให้ตูดบวให้ค้นเนี่ยออกจากท้นหนองเขานี่ยให้มันติดอยู่หันหันเอาไปไกลบางค้นมันเงึงขึ้นมาบันเนอเอาฟ้องไปตําๆหันเอาหัวเข่าเอาเข้าในเอาซอกฟ้องเข้ามาทีค้นมันแล้วบูเงืองขึ้นมาเน้อเขาเฮ็ดเขาก็เบิ่งจนเบิ้งตัวเขานี่เป็นอ่ะฝึกหัดดัดแปลงตัวเองเมื่อฝึกหัดดัดแปลงตัวเอง หอใจได้กับไปสอนผู <cai u. S 1> ้อื่นได้ถ้าหากมีแต่รู้บ่มฝึกหัดดัดแปลงตัวเองนั้นเพราะว่าอย่างไนถูกต้องเถิดการที่จะฝึกผู้อื่นนั้นต้องฝึกตัวหอก่อนพันว่าการที่จะไปสอนผู้อื่นนั้ต้องสอนตัวหอก่อนพันวังความรู้ความเห็นความเข้าใจของเขาเป็นอย่างไรก็เอาความรู้ความเห็นความเข้าใจของเขาเนี่ยไปสอนผู้อื่นให้ผู้อื่นรู้ตามเห็นตามตัวเองนั้นตัวเองรับประกันคํำพูดตัวเองตัวเองรับประกันการกระทําของตัวเอง มันเป็นภาษาที่ว่าเสียสละสัตย์พละรักษาอาวัยวะคนเสียสลาอาวัยวะพละรักษาชีวิตยอมเสียกระทั่งชีวิตพละรักษาความจริงคือรักษาสัจธรรมคำสอนของพระพิจารณ์นั้นไว้เป็นวันเท่าที่ผมนํามาเล่าสู้ฟังมืัอนี้กรับเท็ดมาสสมควรและตอนเช้าวันนี้ไหว้ฟังแล้ววิปลาสก็ไว้ฟังวิปัสสนูก็ไว้ฟังปีติก็ไว้ฟังแล้วยาไปติดทั้งเมื ให้มาอยู่กับขมรู้สึกนี้ถ้าหากมีขมลูสึกที่นี่ยบวชขาดถ้าใครไปติดขมรู้เบื้องต้นเป็นริปัตันูถ้าใคไปติดคขมดีขมซอบเป็นสีดีถ้าใครไปติดขมสุขเป็นริปาราที่นํามาร้อยฝังเมือหนึ่งจอดเป็นยอดสมผลเกิเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระสงฆ์และญาติโยมมานั่งฝังธรรมะอยู่ในสถานที่นี้อาตมาขออ้างอิเอาคุณของพระบุรีเจ้าและพระธรรมคาสั้งสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แนืคุณของพระลันตาสาวกพระสมมาสัมพุรยเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเหงตมมุจริงตามความปีจริงย่างที่พระพุทธเจ้าตัดว่าตัดทั้งหลายเราพูเป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้จึงนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้คือไปถึงที่นั้นถึงแห่งนั้นคือไปถึงที่สุดทุก คำว่าเราทั้งหลายผู้เป็นสถาคตไปถึงแด้แห่นั้นคือพระพยบไปถึงที่สุดทุกข์ถึงอาการเกิดดับนี้เองอาจารยเขาว่ากัอยู่นี่ก่ะให้ไปถึงที่สุดทุกข์ถ้าหากไปถึงที่สุดทุกข์แล้วเขาจี้เป็นทุกข์เป็นวัฏฏะสงสารอยู่นี้โลกิยธรรมโลกุตรธรรมอยู่นี้โลกียธรรมนํามาถึงธรรมได้มันบ่ไปถึงเสนอว่าโลกิยธรรมถ้าหากว่าเราทําถึงที่สุดทุกข์แล้ว เป็นโลกุตละธรรมขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาคือจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจผ้องใสจิตใจว่องไวคือจิตใจของพระบรมเจ้าขอให้ทุกคนทุกคนจงประสบพบเห็นเอาในชีวิตนี้เรื่อเวลาอันใกล้ที่จงทุกทุกคนเออ